ชวงนี้ก็เปิอปากสุดท้ายกนะ่อนที่จะออกพรรษาก็เป็นไปตามบัญญัติของพระพุทธเจ้านะที่พวกเราได้อยู่ร่วมกันในพรรษานะออกพรรษาแล้วก็มีกิจอย่างอื่นนะที่จะไปนะก็สามารถไปกันได้แต่ออกพรรษาแต่ในพรรษาเองก็ เฉพาะกิจที่จำเป็นนะห้าประการถึงจ ะ, ะเป็นเหตุให้ไปได้ที่เราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนา ะ, ะเราก็ต้องทำตามสิ่งที่พระเจ้าท่านท่านบัญญัติหรือว่าท่านสั่งสอนไว้เพราะว่าในตอนหลังๆนะก่อนก่อนที่พระเจ้าท่านจะปรินิพพานก็มี มีผู้ที่ถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าหลังจากพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานไปแล้วนะจะแต่งตั้งให้ใครเป็นเป็นศาสดาหรือว่าเป็นไม่เรียกศาสดาเป็นผู้นําแทนนะแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้แต่งตั้งใครหรือแต่งตั้งคณะไหนนะเป็นเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของท่านเนะแต่ท่านบอกว่าให้ พระธรรมวินัยนะเป็นศาสดาแทนเรานะก็คือให้ธรรมะนะที่ท่านสั่งสอนธรรมะที่เป็นความจริงนะแล้วก็วินัยที่เป็นข้อบรรัญญัตนะิที่ท่านบรรัญญัติไว้ที่ท่านแนะนำให้เราได้ศึกษานะแต่ตอนนั้นแหละคือศาสดาแทนพระพุทธองค์ัชาจะพูดไปก็คือ เป็นสิ่งที่ท่านมองการไกลมากนะเป็นสติปัญญาที่ท่านแหลมคมมากที่ท่านฝากนะให้พระธรรมวินัยเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์เพราะว่ามันมันไม่เสื่อมเนาะธรรมะก็คือความจริงที่พิสูจน์ได้นะมันไม่เสื่อมนะพระวินัยเองก็เป็นข้อบัญญัติที่ ที่เรียบร้อยที่สวยงามที่ขัดเกาเนะี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันไม่เสื่อมมันอย่างเห็นนะบางทีถ้าเราฝากพรนะศาสานาไว้กับสิ่งที่เป็นตัวบุคคลเนาะเป็นตัวบุคคลมันก็อาจจะมีสิ่งที่ที่ดนะีสิ่งที่ไม่ดีในตัวบุคคลเยอนะ เอาง่ายๆเหมือนเกือบพูดนำนะจะพู้นำสง์หรือผู้นำนะคาราวาสก็ดีนะก็มีทั้งสิ่งที่ท่านทั้งหลายก็ดีแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ดีนะหรือบางส่วนก็อาจจะไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีแต่ก็มีคนชอบหรือมีคนไม่ชอบนะถ้าเป็นตัวบุคคลแล้วมันก็มันเป็นเรื่องนานาจิตตังเนาะมันเป็นเรื่องที่ มันก็มีเป็นเป็นอคติกันนะอคติกันด้วยความชอบด้วยความไม่ชอบด้วยความนะ่กังวลด้วยอะไรก็แล้วก็แล้วแต่แต่พระเจ้าท่านฝากนะก็ทำวินัยไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองคนะ์เราก็เห็นในน้บางทีมาก็สังเกตเวลาบางทีญาติโยมดู ดูไม่ค่อยดูศรัทธาพราะสงองค์เจ้าดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เวลาเขากราบพระพุทธเห็นพระพุทธรูปนะเขากราบพระพุทธรูปนะเขาไหว้พระพุทธรูปเออเขาก็ก็ไหว้สวยดีนะคือไม่มีข้อสงสัยนะในพระพุทธเจ้านะไม่มีข้อสงสัยในพระธรรมคําว่าไม่ไม่สงสัยไม่ใช่ว่าเขาจะเข้าใจทั้งหมดนะแต่หมายถึงว่า ออมันไม่เหมือนพระสงฆ์ที่บางทีมันก็มีข่าวเนอะมีข่าวเสื่อมเสียไม่ดีที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์นะที่เป็นสมมุติสิสมนะมากมายนะหรือบางรูปอาจจะไม่ได้เป็นสมมุติสิสมละแต่ก็อาจจะมีคนไม่พอใจสร้างข่าวหรือว่าใส่ร้ายใส่สี นกะ็อาจจะมีเหมือนกันนั้นตัวบุคคลที่เป็นพระสงฆ์จะเป็นสมมุติสงฆ์ก็ดีหรือเป็นสงฆ์จริงๆก็ดีนะบางทีก็ไม่ได้รับการยอมรับไปทั้งหมดหรอกนะอ น, นี่เราก็ต้องพึงเข้าใจเนาะพึงเข้าใจโลคว่ามันก็เป็นแบบนี้แหละนะพึงเข้าใจโลกว่าเป็นแบบนี้แต่บางทีเราเองก็อย่าไปคิดนะ อย่าไปคิดแต่ว่าฝากคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของคนอื่นที่จะต้องสืบทอดพระศาสนาเพราะจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์แต่ท่านก็บอกอีกอย่างด้วยว่าท่านาให้พุทธบริษัททั้งสี่นี่แหละให้ช่วยกันบำรุง บำรุงหรือว่ารักษาพระธรรมวินัยนี้ให้ให้ยืนยาวให้นานน ะ, นะบริษัททั้งสี่คืออะไรก็พิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกานะก็เรียกว่าเป็นเสาสี่ต้นนะที่มีความสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนกับกันเลยนะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่า พิสุคือผู้นำนะพระสงฆ์คืออืคือผู้นำหรือว่าฝากศาสนาไว้นะฝากพุทธศาสนาไว้กับพระสงฆ์นะถ้าพระสงฆ์ดีนะศาสนาก็ดีพระสงฆ์ไม่ดีศาสนาก็ไม่ดีนะพิษุณีเองก็เหลือไม่มากแล้วนะก็มียอมรับบ้างมีไม่ยอมรับบ้างนะแต่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมีความสําคัญมากนะ ในการที่อุปถรัรมภ์หรือว่าบางครั้งก็เป็นผู้นำนะในทางศาสนานะนะก็ให้เราระลึกนะว่าทุกคนนะทุกคนมีความสำคัญไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนไม่ว่าจะเป็นพิสนะุหรือบางทีอาจจะมีพิสุณีหรือแม่ชนะีหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาเนี่ย พระพุทธเจ้าท่านท่านให้พวกเราได้ช่วยกันนะช่วยกันสืบทอดพระศาสนาสืบทอดอย่างไรนะเราเองก็คงจะระลึกถึงบทบาทหน้าที่ของเรานั่แหละเป็นหลักนะผสมควรทาตัวแบบไหนนะอุบาสกอุบาสิกาคนรทาตัวแบบไหนเนะี่ยเราก็ต้องระลึกถึงหน้าที่ที่เราต้องทําตรงนี้แหละเอ อะไรที่เราทําได้เราก็ทําเต็มที่อะไรที่เราทํายังทําไม่ได้ก็ด ล, ลึกไว้ว่าเออให้คนอื่นเขาทําหรือว่าสิ่งที่เรายังทําไม่ได้แต่เราก็จะพัฒนาทําให้มันดีขึ้นเลยเนะี่ยก็ด ล, ล, ลึกไว้บางทีก็จะมีเนาะบางทีเวลาเรามาอยู่วัดหรือเรามาปฏิบัติธรรมบ่อยๆเนะี่ยบางทีก็จะมี เพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวนะบางทีก็มักจะพูดประมาณว่ามาปฏิบัติธรรมาอยู่วัดนะทำไมกลับไปก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะหรือว่าทำไมกลับไปก็ยังนะยังโกรธอยู่ยังโมโหอยู่ยังหลงอยู่อะไรประมาณนะั้นบางทีเราเองรู้สึกแบบไหนเวลา มีคนพูดแบบนี้นะเวลาเห็นเห็นภาพรักนณะเห็นภาพรักษเรามาอยู่วัดหรือว่ามาปฏิบัติธรรมบ่อยๆแล้วนะเพื่อนร่วมงานหรือคนในครอบครัวนะมองว่าเออเราก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่นะยังทำผิดเยอะบางคนก็ จ, จะรู้สึกรู้สึกแบบ ไม่พอใจเนาะที่เขาที่เขาตําหนิเรานะหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกถึงความคาดหวังนะรู้สึกกดดันว่าเมื่อเราเข้าวัดแล้วโดนโดนคนอื่นเขาคาดหวังว่าเออมันจะต้องดีอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงเวลามีคนพูดแบบนี้นะผมเองหรือทาไมก็ ก็มักจะบอกนะบอกว่าที่จริงไม่ใช่แต่คาราวะดอกที่จริงพระเองเรามาบวชมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นพระอารหันต์กันนะก็ยังเป็นผู้ที่ต้องฝึกฝนตนเนาะมันก็ย่อมมีมีดีมีไม่ดีนะมีที่ทําถูกมีที่ทําผิดนะมีที่ทําแล้วคนพอใจทําแล้วคนไม่พอใจนะจะนับประสาอะไรกับ คาววะที่ที่มาอยู่วัดหรือว่าที่มาปฏิบัติธรรมช่วงครั้งช่วงคราวนะเขากลับไปก็อาจจะมีมีสภาวะที่ดื่มตัวบ้างเผลอสติบ้างนะก็อาจจะทําผิดทำพลาดไปบ้างเราก็มองไป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะ เ, เราไม่ได้มองมองผู้ประพฤติธรรมหรือผู้ที่มาบวชมองเป็น มองเป็นแบบสังคมที่แบบเมื่อมาแล้วมันจะดีไปหมดเลยจะทําให้ผิดเลยอันนั้นเรียกว่ามองแบบไม่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเนาะคล้ายเหมือนกับคนป่วยเนะที่ว่าหมอรักษานะจะหมอแผนไหนก็ได้แต่รักษาแล้วต้องหายทันทีอะนั่นะอันนั้นก็มันก็คาดหวังไว้ผิดนะบางทีโรคบางอย่างก็รักษาได้หายทันที แต่โรคบางอย่างเป็นเรื้อดังก็ต้องรักษาต่อเนื่องนะมันก็ไม่ใช่เป็นเคสที่มันจะเอามาแบบเหมารวมกันได้นะบุคคลเองก็เหมือนกันนะบุคคลเองบางรูปบวชแล้วก็นะก็ปฏิบัติทำได้ดีนะทำรวมระวังได้ดีนะแต่บางคนมาบวชหรือมาประพฤติทำธธรรก็อาจจะมีเผลอพลาดหรือว่า ย่อหย่อนก็นไปบ้างนะมันก็มีอันนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลเนาะแต่คําว่าเรื่องของตัวบุคคลเนะี่ยพยายามให้เรามองกลับมาที่ตัวเราเนาะเรื่องที่เป็นตัวบุคคลคือเรื่องของคนอื่นนะเราอาจจะไปทําอะไรกับเขามากไม่ได้นะเราจะไปบอกไปสอนไปเตือนเขาไม่ได้นะแต่สิ่งที่สําคัญถ้าเป็นเรื่องตัวบุคคลเนะี่ย เราต้องย้อนกลับมามองตัวเราเนี่แหละนะมองกลับมาตัวเราว่ากลับมาดูมาพิจารณาดูตัวเราว่าอะไรที่เรานะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงต้องพัฒนานะอันนั้นแหละคืองานของเรานะงานที่เราจะต้องทำนะคำพูดไหนที่เรายังพูดแล้ว นะทำให้เกิดคนอื่นไม่พอใจหรือขาดสตนะิไปด้วยคำพูดนะเราควรจะฝึกตัวเองไหมการกระทำไหนนะที่เราทำแล้วมันมันเป็นสิ่งที่เราเองก็รู้สึกว่าไม่น่าทำนะไม่น่าเพ้อไปโกรธไม่น่าเพ้อไปนั่นเลยนะแล้วก็เป็นโจทย์ของเราเนาะ โจทยของเราแต่แต่ละคนที่เราจะต้องพัฒนาเนาะคือเราก็มองอย่างหนึ่งว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะผิดพลาดกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับนะในข้อผิดพลาดของเราเองแต่เราเองก็ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของเรานะแก้ไขข้อผิดพลาดของเราเองไม่ว่าจะจะเป็นพระก็ดีก็ เราก็มีสิ่งที่ต้องพิจารณาเนืองๆนะทั้งสิบข้อนะมีพระธรรมมีวินัยที่เป็นตัวขัดเกลาจิตใจของเราใหนะ้ให้พัฒนาขึ้ น, นเรื่อยๆเนะี่ยก็คือกิจที่เราจะต้องทำนะเราก็ต้องทำเป็นประจำทุกวันทุกขณะนะสุนทารวาวนเองนะบางทีเราก็มีส่วนในการในการ ช่วยนะช่วยพระศาสนาเนี่ยได้เยอะนะนะอย่างบางทีญาติโยมคนอื่นนะที่เขาเข้าวัดประเดียวประดาวสึกที่เขาได้สัมผัสนะไม่มากนะักบางทีเขาก็ดูดูผู้ประพฤติธรรมหรือผู้ที่มาอยู่วัดนั่นแหละว่าว่าทำตัวแบบไหนนะถ้าเราทำตัวนะที่ดีนะทำ คนที่เขาเข้ามาเห็นเขาก็เกิดศรัทธาถ้าเรายังมีข้อบกพร่องอยู่บางทีเขาอาจจะคิดในใจว่า อ, อมาอยู่วัดก็ได้แค่นี้เองเหรอมาปฏิบัติธรรมเองก็ได้แค่นี้เองเหรอที่จริงแบบนี้เขาก็มองพระได้แหละนะพระเองมาบวชตั้งนานได้แค่นี้เองเหรอประมาณนะั้นมันก็มองเป็นในเชิงว่าสิ่งที่เราอยู่หรือสิ่งที่เราประพฤติเนี่ยมันไม่น่าสนใจเนาะน่ะ มันก็ไม่เกิดศรัทธาแก่ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธานะหรือผู้ที่มีศรัทธาแล้วบางทีก็อาจจะเสื่อมศรัทธาเพราะว่าเห็นนะเห็นพระนะก็ทําทําแบบนี้เนะี่ยเห็นคารวะที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเองก็ยังทําแบบนี้นศะรัทธาก็เลยเกิดความมันแง่นคอนแค้นไปนะสําหรับบางคนนะแต่เราเองก็สามารถช่วยได้ตรงนี้แหละนะ เวลาเราเกี่ยวข้องกับผู้คนอื่นนะเรายิ่งต้องสำรวมระวังมากขึ้นรนะวังแบบไหนนะไม่ใช่ระวังแบบกำบล น, นะแต่หมายถึงว่าเราต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจคนอื่นด้วยนะบางคนเขามองนะด้วยแบบไหนเราก็ไม่รู้หลักนะแต่เราก็ต้องรู้ว่าเออสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ เราช่วยนะช่วยพระศาสนาได้น ะ, ะการเดินการยืนการพูดการคุยการทำต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่คนได้มันสัมผัสหรือได้เห็นได้ง่ายเนาะแต่เรื่องจิตใจเนี่ยมันรู้กันได้ยากนะไม่มีใครรู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้มีอคติอะไรเลยนะไม่ได้เจื้อได้กิเลสอะไรเลยนะ มันก็เป็นเพียงแค่นิสัยความเคยชินเฉยๆนะแต่จิตลึกๆจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยนะแต่คนทั่วไปเขามองไม่เห็นหรอกนะมองไม่เห็นถึงจิตใจของเราหรอกนะแต่สิ่งที่เขาเห็นคือกิริยาภายนอกกริยาภายนอกที่ที่มันสะท้อนได้เห็นอันนี้ถ้าเราช่วยกันนะมันจะทำให้ คนที่ยังไม่มีศรัท ธ, ธานะเขาก็จะมีศรัท ธ, ธานะคนที่มีศรัท ธ, ธาอยู่แล้วเขาก็จะได้มีศรัท ธ, ธามากขึ้นศนระัท ธ, ธาในที่นี้ไม่ใช่มุ่งว่าจะให้เป็นการศรัท ธ, ธาที่ตัวบุคคลนะนะแต่เป็นการศรัท ธ, ธานะต่อพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะเขาเห็นว่าเออ ธรรม ะ, ะช่วยขัดเกลอกิเลสออกไปตัวจากตัวบุคคลที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมได้เยอะแบบนี้นะมันน่าสนใจผู้ที่รักษาศีลผู้ที่ประพฤติธรรมแล้ว เ, ออเขาดูเขาดูเรียบร้อยเขาดูสำรวมระวังเขาดูมีกิรยิยามารยาทที่แตกต่างจากค า, ารวะทั่วไปไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งที่ เราช่วยพระพุทธเจ้าได้นะออด้วยพระพุทธเจ้าตรวนี้แหละนะร ะ, นน ะ, นะรพระทุะพะทธเจ้าเนี่ยท่านจะย้ํานำหรือที่จริงหลวงพ่อคำเคียงก็มักจะย้ำนะย้ําว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านเน้นนะทั้งตัวประโยชน์ตัวบุคคลส่วนตนแล้วก็ประโยชน์ต่อส่วนรวมนะถ้าเรามองเห็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะการขัดเกล็กิเธิ์นะ ก็เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์แก่ตนเองนะที่จริงการที่จิตใจเราขัดเกลาจิตเอดออกไปหรือตำนวนระวังมากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นการช่วยคนอื่นไปด้วยนั่นแหละนะมันได้ประโยชน์ทั้งสองทางนะได้ประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งกับผู้อื่นนะหรือจะฝ้าจริงๆก็เป็นการช่วยนสะืบทอดกศัลย์าสนาไปด้วยนะหน้าที่พวกเราเนี่ยมัน มันสำคัญนะนะที่จริงตัวที่จะเผยแพร่พระศาสนาได้ดีที่สุดคือตัวบุคคลนี่แหละนะ่ะตัวบุคคลนะตัวธรรมะและวินัยเนี่ยไม่ได้เสื่อมไปหรอกนะแต่ตัวบุคคลนี่ก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนกันง่ายๆนะ่ะถ้าเราจะช่วยกันก็ต้องช่วยกันตรงนี้แหละนะ่ะเช่วยกันทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะ่ะ ช่วยกันขัดเกล็กิเลสนะในจิตใจของเราให้ดีที่สุดนะช่วยกันสิ่งใดที่เรายังทำได้ไม่ดีเป็นข้อบอกพร่องของเรานะเป็นจุดอ่อนของเราเราก็ต้องพยายามแก้ไขพยายามปรับปรุงเนาะถ้าคนอื่นเขามองนะมองเห็นสิ่งที่ไม่ดีของเราตำหนินะจะว่าเราบวชนานจะว่าเรานาะ มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมบ่อยนะถ้าเขาตักเตือนถูกก็ขอบคุณเขานะดีแล้วนะที่เขาสะท้อนนะเราก็ยอมรับในสิ่งที่เราผิดเราพลาดนะก็อย่าไปโวยวายอะไรนะแต่เราก็ต้องเห็นว่าออมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำให้มันดีขึ้นเนาะนะอย่ามองเพียงแค่ว่าออมันเป็นเรื่อง พอมาอยู่มาบวชมาปฏิบัติธรรมแล้วกดดันเพราะว่าคนอื่นเขาจะมองภาพเราแบบนั้นถ้าเรามองไปเรื่องการกดดันเนี่ยมันก็จะเหมือนเราก็จะไม่ไม่ก้าวข้ามวางอย่างที่มันเป็นความกลัวความไม่พอใจในจิตของเราเนะที่จริงบางทีกิเลสมันอาจจะอยากทําตามความเคยคิด น, นั่นแหละมันอยากจะสบายมันอยากจะเนี่ย มันมันอยากจะแบบทำอะไรก็ได้นะมันอยากจะไม่ให้คนอื่นเขาคาดหวังตับตัวเราเองนะแต่จริงพอเราเจอคนอื่นคาดหวังคนอื่นเรียกร้องหรือคนอื่นเขาตักเตือนเนี่ยเราก็จะรู้สึกกังวลใจหรือทุกข์ใจเนาะแต่จริงถ้าเรามองในแง่แง่ที่ดีที่เกิดประโยชน์นะ มันเป็นการ ช, ช่วยกระตุ้นให้เราในเร่งพัฒนาตัวเรานะถ้าเรามองเป็นเรื่องไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็จะเฉื่อยหรือเราก็จะเนอยหรือเราก็จะปล่อยประละเลยกั บ, กบข้อบกพร่องของเราเองแต่เมื่อมีคนได้ชี้โทษนั่นแหละได้ตักเตือนนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เราจะได้ขนาดตัวเอง ย่างบุพตเจ้าท่านบอกพระอนนท์นะที่จริงก็ไม่ได้บอกแต่พระอนนท์หรอกก็บอกทุกคนนั่นแหละว่าเราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดเราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุด น, ดนถ้าใครนี่มีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะบทนอยู่ได้แต่ถ้าคนใครที่แบบไม่ไวแล้วเพราะว่าไม่ได้คิดถึงมรรคผลเป็นแก่นสารเนี่ย จะงอนแงนคอนแคลนจะไม่ชอบแต่ถ้าเรามองเรามีมรรคผลเป็นแก่นสารเราจะทนได้เมื่อมีคนไม่เข้าใจไม่มีคนตำหนิหรือไม่มีคนคีโตะเราจะขอบคุณและเราจะพัฒนาตัวเองให้เราตั้งมั่ น, นให้เราเอามรรคผลเป็นแก่นสารเอามรรค คืออะไรให้เราประพฤติทางสายกลางนั่นแหละนะสัมมาทั้ง8ปดประการนั่นแหละนะคือสิ่งที่เราต้องสํารวมระวังแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเรามีมรรคเป็นวิถีในการใช้ชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นรารวะก็มีอริยมรรคในองค์แปดเป็นทางที่เดินนะเหมือนกันเนาะ เมื่อมีมรรคแล้วก็ต้องเกิดผลนะเกิดนิพพานนะเป็นจุดหมายปลายทางนะถ้าเราตั้งมั่นด้วยเอามรรคเอาผลนั้นเนี่ยเป็นเป็นแก่นในชีวิตของเรานี่แหละนะเราจะเรียกว่ามีความพอใจนะในการที่จะขัดเกลากิเลสจากจิตใจของเราเองนะหรือคนอื่นเขามาเร่งมาตำหนิมาชี้โทษนะ มาขนาดเราก็จะมองเออเป็นโอกาสที่ดีนะโอกาสที่ดีที่เราจะได้เห็นเห็นสิ่งบกพร่องของตัวเราเองหรือได้แก้ไขตัวเราเองให้มันมากขึ้นนะเราจะได้เร่งทำตรงนีนะ้เราจะไม่มองเป็นเรื่องที่ถูกคาดหวังถูกคาดคันนะหรือว่าถูกจับผิดนะคนจะมองแบบไหนก็เรื่องของเขา แต่อย่างน้อยทำให้เราได้สะท้อนเห็นตัวเองหรือแม้แต่เขาสะท้อนไม่ถูกไม่จริงแต่มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าเรารู้สึกแบบไหนนะบางคนเข้าใจผิดมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าเรารู้สึกแบบไหนบางคนอาจจะไม่ไม่แค ร, ร, ร์หรือบางคนก็อาจจะแค ร, ร์ไม่ชอบกำวลใจทุก์ใจก็ได้นะอย่างน้อยมันก็สะท้อนให้เราเห็นความรู้สึกของตัวเราเองนั่นแหละ ว่าเรารู้สึกแบบไหนนะเวลาคนเขาเข้าใจผิดเวลาคนเขาอพูดไม่จริงอนะไรนัะมันเป็นแบบไห น, นมันเป็นการสะท้อนกันไอ้พวกนี้เป็นตัวช่วยนะช่วยศาสนานะที่จริงก็เป็นการช่วยตัวเราเองนั่นแหล ะ, ะถ้าเราช่วยตัวเองได้ถูกต้องได้ถูกทางก็เป็นการช่วยคนอื่นเป็นการช่วย สืบทอดอายุพุทศาสนานะพระเจ้าท่านเนะี่ยบอกเลยนะจะละทะพิคเวจาริกังหิตายะจาริกังสุขายะโลกาณุกรรมปายะนะพิสุทั้งหลายนะพิสุถ้าเราจะตีความจริงนะพิสุคือผู้เห็นภัยในในวัตฏสงสารนะจะเป็นคารวาสแต่เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิด เห็นภัยในการเกิดแก่เจ็บตายเห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่ น, นเห็นภัยจากกองกิเลสไฟเพราะความโกรธไฟเพราะความโรคไฟเพราะความหลงถ้าเราเห็นภัยตรงนี้นะชื่อว่าเป็นพิษุพิสุคือผู้ที่เห็นภัยพิสุทั้งหลายเนะี่ยพวกเธอถึงจะลิขิตนฟเพื่อประโยชน์ แกมหาชนหมู่มากนะท่านตอนที่ท่านออกพรรษาข้างในเนี่ยไปเลยคนละทางนะมีสาวกอยู่ประมาณหกสิบกว่ารูปนะให้ไปคนละทางนะอย่าไปทางเดียวกันนะไม่ไปคนละทางไปช่วยกันไปช่วยกันบางคนพูดได้ก็พูดบางคนพูดไม่ได้ก็แสดงกิริยาให้เห็น พระอัษชิเนี่ยนะไม่ทันได้พูดเลยแค่เดินวินศบาทสาลิบุตรที่ยังไม่บวชนะ่ะไปมองเห็นก็เกิดศรัทธาเกิดความสนใจละเอนะพูดสั้นๆท่านก็เข้าใจละเนะี่ยเราช่วยกันได้นะช่วยกันด้วยบางคนก็ช่วยกันที่คําพูดนะสัมมาวาจาเป็นแบบไหนนะ่เราก็ พิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองนะบางคนก็ช่วยด้วยการกระทำนะสำมาอาชีพแบบไหนนะการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นแบบไหนนะความเพียรเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็คือช่วยด้วยการกระทำว่าบางทีเราก็ช่วยกันด้วยความคิดนะบางทีทำไม่ได้แต่ก็ยังมีเมตตากันอยู่ก็ยังปรารถนาดีกันอยู่ยังรักกันอยู่ อยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ช่วยแบ่งเบาความทุกข์จากจิตใจเขาเนี่ยแล้วก็ช่วยตัวเนี้ยได้เนี่ยเป็นการเป็นงานที่ที่สำคัญนะเราอย่าคิดว่าเราเป็นเพียงแค่คนเล็กคนน้อยทำอะไรไม่ได้เราทำที่ตัวเราเนี่ยแหละมันจะสะเทือนออกไปสู่คนอื่นเอง มันมันจะได้มากได้น้อยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยให้เราได้ไปตั้งมั่นนะได้ตั้งมั่นในในมรรคในผลตั้งมั่นในพระธรรมวินัยนี้นะคือเนี่ยถ้าเราสืบทอดตรงนี้ก็คือสืบทอดตามความสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะเนาะก็ให้เราได้ระลึกไวแล้วก็เตือนตัวเองแล้วก็สอนตัวเองเนะเตือนคนอื่นสอนคนอื่นก็ได้ความปรารถนาดีหวังดีกันนะ เราก็จะได้เป็นเป็นกันยานมิตกันเนาะกันยานมิตที่จะเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนนะทุกท่านเดยเทิน